ทีนี้เมื่อแยกแย้ว่าเออเนี่ยนะทั้งหมดในอดีตก็คือนรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันนี้เขาระลึกด้วยวิปัสนานะถามว่าทำไมเขาจึงระลึกได้ด้วยอำนาจวิปัสนาเพราะว่าเขาพิจารณาโดยความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยชัดเจนไงนะมองมองชัดเมื่อกี้ผมมีมีสี่ขันใช่ไหมครับไหนตอนไหนเมื่อกี้นี้ ไม่อานาคตอ่ะนะชาติหน้าถ้าจะมีสี่ขันผมไม่เอาแล้วครับเอาเท่าไหร่นี่ <c oughs> ไม่เอาลครับกลัวเกิดไม่ทันเป็นอารูปพระพมันนะก็อายุไม่กี่หมื่นกับเองนะเนวะสัญญาก็แปดหมื่นสี่พันกับ <c oughs> พระพุทธเจ้านี่อาจจะผ่านไปสักยี่สิบสามสิบพระองค์แล้วเอาแล <c oughs> ้ว <c oughs> นะเปลี่ยนใจนะเอาพระมรรคตำตำหน่อยก็ได้นะ อะไรกิริบระครุปเลยหารูปประพมเหมือนหาสนใจใช่ไหมที่ไหนได้ฮิ้วเลยนะขันห้าซึ่งประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเนี่ยเสรุปหมอไม่สันโดษ น, นะเอาหมดเลยเอาทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะแต่ว่าต้องเป็นขันห้าที่ไม่ต้องกินใช่ไหม อ๋อก็ยังอะไรอีกกันนะเดี๋ยวมาได้กินพิซซ่าแล้วก็ขันเหล่าเนี้ยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้อผู้ที่พิจารณาแยกแยะขันอย่างนี้เขาจะเริ่มคิดว่าขันเนี่ยเขาจะเริ่มคิดตอนไหนตอนที่มันเป็นชาติหรือตอนหนึ่งเรียกว่าตอนที่เป็น ชรากับมรณะนี้ชรามรณะเขาจะมาแบ่งตามพบว่าชรามรณะของอบายเ็นไคือคือชรามรณะนะคือชีวิตอะอบายมนุษย์เทวดาแล้วก็พรหมถ้าว่าโดยรวมๆก็คือขันห้ามนุษย์กับเทวดาพรหมบางพวกนี้ขันห้าบริบูรณ ถ้าต่ํากว่านั้นมาจากอะไรอะไรไม่บริบูรณ์อรูปประพรมนี้ก็เวน้นรู ป, ปรขันอสัญญาสัตตาพรหมก็เวน้นนามขันก็คือขันห้าทีนี้ขันห้าเหล่านี้ถ้าไม่มีชาติคือการเกิดอบายจะมีไหมไม่มีถ้าไม่มีปฏิสนธิความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีถ้าไม่มีปฏิสนธิความเป็นเทวดาก็ไม่มีนื้ชาติเนี่ยคือการเกิดก็แบ่งมาเป็นกําเนิด กำเนดสีหรือตามเรียกว่าคติ5หรือย่อไปกว่า น, นั้นเรียกว่าพบสเนี่ยนะหรือว่ากลุ่มวิญญาณทิติ7หรือสัตตาวาดาเคขันหในอบายนี้เกิดจากอะไรทว่าโดยรวมๆนะปฏิสนธิหรือการเกิดก็มาจากอบายอากุศล12มนุษย์มหากุศล8เทวดา กุศลแปดพรมเนี่ยเก้านั่นนะอันนี้เอาทั้งหมดเลยนะรวมแล้วอกุศลและเ จ, เจตนาสิบสองเนี่ยมาจากไหนมหากุศลมาจากไหนนั่นนะพวกนี้มาจากไหนอันนะัคือตัวมันเองอะ่ะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะถ้าพูดอย่างนี้ให้รู้ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วทาไมจึงทํากรรมขึ้นนั่นนะ ว่าโดยรวมๆก็ข้อความยึดขันห้าอีกนั่นแหละกรรมเหล่านี้ที่มันเป็นกรรมนะเพราะยึดในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารและก็วิญญาณในอดีต น, นะยึดด้วยอำนาจกรรมบ้างก็เป็นกรรมมุปาทานหรือยึดด้วยอำนาจของทิฏฐิบ้างก็เป็นทิฏฐุ ป, ปาทานหรือยึดด้วยอำนาจของศีพลพรตหรือข้อปฏิบัติเนี่ยนะ ก็เป็นศีลพรตูปาทานแต่ก็อยู่บนวังวนของการยึดขันใดขันหนึ่งว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะหรือทั้งห้าขันว่าเป็นอัตตาก็เป็นอัตวาทูปาทานถ้าลองสาวให้ดีๆเนเว้นกุศลวิวัตตะเสียถ้าเป็นการเจริญกุศลทั่วๆไปเนี่ยจะต้องอยู่บนอันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้กระทั่งคำพูดที่ผู้ธรรมะก็ตาม กุศลจิตเกิดขึ้นนะจะต้องอยู่บนอันนี้ต้องอยู่ในกลุ่มนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะว่าต้องทานอะไรกันแนะท่ที่พูดนะก็ต้องการขันนะนะแต่ว่าโดยรวมๆก็ต้องการขันห้านะนะั่นแหละแต่มันจะเป็นขันแบบไหนผู้ที่สมมุติยกตัวอย่างว่าคนที่แสดงธรรมแล้วปรารถนาขันห้าข้างหน้าต่อๆไปเนี่ยนะเฉพาะหมายถึงขันที่เป็นวิบากกรรมมาชลเขาถือว่าคนนั้นตั้งความปรารถนาไว้ดีมาก น, น, นะถ้าว่าทั่วๆไปนะ ดีกว่าไหนก็ดีกว่าพวกต้องการรูปประขันที่เป็นกระหาปณะเนี่ยนะมันกจ็จะต้องการเนี่ยสรุปว่าอยู่บนพื้นฐานว่าต้องการขันห้าอากุศลเจตนา12ก็อยู่บนพื้นฐานเกี่ยวข้องกับขันห้ามหากุศลหรือชาณกุศลก็ตามก็ยังเกี่ยวข้องกับกับขันห้าเนี่ยนะก็เลยสรุปว่าหมกมุ่นเพลิดเพลินในขันหต้องการขันหสยบให้กับขันห้า ไม่สยบด้วยเรือใครเบื่อหนายขันห้าเต็มทีแล้วโมทนาด้วยแต่ไม่ใช่ว่าโทสะเครียดทุกทีอันนี้ไม่ใช่นะอันเนี้ยคนนั้นอะ่ะคนนั้นอะ่ะต้องการขันห้ามากแต่มันไม่ได้ขันห้าอย่างที่ตัวเองต้องการมันก็เลยทุกแต่ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ยังดีกว่านะดีกว่าเลยดีกว่าเพลิดเพลินในขันห้า คืออันนี้คือโทมนัสเพราะขันท่าเนี่ยนะกับคนที่กําลังเพลิดเพลินกับขันท่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะอย่างงี้นะดีใจเพราะเพราะมีอะไรอ่ะมีคนเกิดหรือดีใจเพราะมีลูกอีกคนนึงก็เสียใจเพราะลูกตาย อันนะั้นถามว่าอะไรดีกว่าอะไรไห น, นนะไห น, นดีกันคุณน้องไม่ใช่ก็บอกว่ามันไม่ได้ดีทั้งคู่เพราะว่าคนที่ดีใจเพราะมีเพราะมีเกิดอ่ะ น, นะคนนั้นแหละจะเสียใจถ้ามันสิ่งนั้นมันตายทีนี้โดยปกติรวมๆเลยนะนี่ถ้ามันไม่เกิดนะเราไม่ทุกขนาดนี้หรอกหม่คิดคิดเอ๊ะทำยังไงเราจะได้เจอกันใหม่นะ เพราะฉะนั้นบา hey. well, งคนก็ทํานะคําบ so ุญ<ำ>เสร <Doll Disk S 2> ็จนะขอชาติหน้าขอให้มันได้เป็นแม่เป็นลูก <intellectually> กันอีกขอให้เป็นญาติกันอีกนะขอโอ้สารพัดไปขอแต่แถวโลงอะนะก็เสียใจจะได้เพื่อจะได้มาเกิดจะได้ดีใจใหม่เนี่ยนะเพื่ออะไรจะได้มาเสียใจต่อไปมันก็เลยทว่าดีใจหรือเสียใจมันก็สมว่าทั้งบนนี้หัวเราะใช่ไหมกับร้องไห้ก็สลับกันแค่นั้นเองครหัวเราะกร้องไห้ เพราะฉะนั้นไม่ดีทั้งคู่แต่ถ้าผู้ที่มีปัญญาเนี่ยน ะ, ะย้อนอีกครั้งหนึ่งที่เขาร้องไห้หรือเสียใจเนี่ยนะหรือไม่พอใจเพราะอะไรเพราะขันมันไม่ไม่สมหวังแต่ผู้ที่เจริญวิปัสนาหรือพิจารณาก็แยกแยะถึงขันแล้วก็ขันเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะตัวนะเนี่ย น, นะโรคก็มี เฉพาะตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นในข้อ159จึงกล่าวลักษณะของสุญญาตานนคือถ้าตอนตอนข้อข้อแรกเนี่ยนะข้อ158เนี่ยพูดถึงขันห้าเล่ระ ว, ว่าประกาศสุญญาตาและไม่ใช่สัตว์อะไรพอข้อต่อไปนี้พูดถึงลักษณะของสุญญาตาแต่ละอยะ่างเนี่ยเช่นว่าเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปเพราะสลายไปจึงเรียกว่ารูป สลายไปเพราะอะไรสลายไปเพราะหนาวบ้างร้อนบ้างหิวบ้างกระหายบ้างเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัต์เลือดคลานบ้างเนี่ยนะอันนี้แหละที่นิยามที่อัตถกถาทั้งหลายเนี่ยเวลาให้อัตถาว่าชื่อว่ารูปเพราะอัตถาว่าอะไรสลายไปเนี่ยพุทธพจน์เนี่ยเป็นที่อ้างเนี่ยนะั้นคาว่ารูปที่สลายไปเพราะวิโรที่ปัจจัยคืนหนาวเป็นต้นบ้างควรจะเป็นรูปไหนก็ต้องเป็นรูปที่ ก็ช <elet> ีวิตนี่แหละดูกนพิสูทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าเวทนาเพราะเสวยจึงเรียกว่าเวทนาเสวยอะไรเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างอุเบกขาบ้างจึงเรียกว่าเวทนาดูกนพิสูทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญาเพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาจำได้หมายรู้อะไรสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาว อันนี้ยกวันณะกะสินขึ้นมาให้เห็นนะตัวอย่างเพราะว่าผู้ที่ที่เจริญกสินเนี่ยนะสายกสินเนี่ยจะขึ้นด้วยสัญญาเป็นหลักเนี่ยนะใครที่จำอะไรแม่นๆ่นพวกนี้จะเจริญชานดีเนี่ยนะโดยเฉพา ะ, ะสีเขียวนี่ก็นีละกะสินใช่ไหมสีเหลืองก็ปีตะกะกสินสีแดงก็โลหิตะกะสินสีขาวก็อุทาตะกะสินเนี่ยนะก็ยกตัวอย่างว่ายกกสินขึ้นมา อาจคาถาที่บายว่าสัญญาตัวนี้ทําให้ถึงอุปจาระและอัปปนาแม้แต่ฌานชั้นสูงอย่างเช่นนะอรูปฌานทั้งหลายเนี่ยเนวสัญญานาสัญญายาตนะนี่ก็ยกสัญญานะขึ้นเป็นหลักอย่างเอกโวการภพเจตวการภพปัญจโวการภพหรือสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเนี่ยบางทีก็ยกเอาสัญญาเนี่ยเป็นเป็นหลักเพื่อจะ คือธรรมดาก็ไม่ผิดะนะถ้ากล่าวสูงไว้นะข้างล่างก็ไม่ผิดถ้ากล่าวสูงไว้เนี่ยช้างล่างก็งไม่ผิดเนี่ยนะเพราะอัตกถาที่บายเป็ น, นั้ทั้งอุปจาระและอัปปนาที่ที่เป็นสัญญานะอ่ะครบหมดเลย เนี่ยนะในหน้าหนึ่งนะพูดถึงบริกรรมสัญญาทั้งอุปจาระสัญญาทั้งอั ป, ปนาสัญญาเนี่ยนะบรรทัดแรกเลยหน้าหนึ่งร้อคํามันคำว่าสัญญาไม่ใช่ศักแต่ว่าสัญญาแบบแบบธรรมดาทั่วๆไปแบบการมสัญญานี่ไม่ใช่เนี่ยนะแบบทั้งระดับชั้นสูงเลยแม้กระทั่งชาณจิตน่ น, นะ เพราะเหตุอะไรจึงเรียกว่าสังขารเพราะปรุงแต่งสังฆตาธรรมเนี่ยนะสังขารเนี่ยหมายถึงปรุงแต่งขันท่านะคำว่าปรุงแต่งสังฆตาธรรมเนี่ยนะอัตกะถาอธิบายว่าบทว่ารูปังรูปตายะสังคตังอภีสังโโรติความว่าแม่ครัวหงต้มยาคูก็เพื่อให้เป็นยาคู ปรุงขนมก็เพื่อให้เป็นขนมนั่นเองฉั้นใดสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นปรุงแต่งคือประมวลมาได้แก่รวบรวมไว้อธิบายว่าให้สําเร็จซึ่งรูปนั่นเองที่ได้นามว่าสังคตะเพราะปัจจัยทั้งหลายประชมปรุงแต่งเพื่อความเป็นรูปคือเพื่อความเป็นรูปนั้นโดยประการที่สิ่งที่ถูกปรุงแต่งจะชื่อว่าเป็นรูปได้แม้เวทนาทั้งหลายก็นิย่าเดียวกันนะ่นเอ คือที่บอกว่าสังขารเนี่ยปรุงแต่งเนี่ยปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งสังฆตาธรรมสังฆตาธรรมที่มันปรุงแต่งคืออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพราะในสังขารขันคืออะไรคือตัวที่ปรุงแต่งขันห้าเนี่ยนะถามว่าปรุงยังไงบอกว่าสังขารที่หมายถึงเจตนาเนี่ยนะย่อมปรุงแต่งคือยังรูปที่เกิดพร้อมกันกับตนหรือธรรมะทั้งหลายมีเวทนาเป็นต้นที่สัมปยุตกันให้บังเกิดก็ปรุงแต่ง อันนี้สหาชาติชาติเข้ามาเจตนาที่เกิดขึ้นนะอย่าง้องมานปรุงคำพูดที่พูดออกไปนะเจตนาเนี่ยที่ทำให้พูดออกมานะสังขารคือเจตานาเนี่ยปรุงวจีกรรมออกมาป ร, นะ ป, รญญ antioxid, ปรุงคำพูดเนี่ยนะปรุงวิญญัตปรุงคำพูดเราเนี่ยนะอันนี้ก็เชื่อว่าผลของสังขารนะสังขารเนี่ยปรุงแต่งคำพูดสังขารปรุงแต่งอย่างเช่นที่นั่งอยู่นี่นะสังขารนะปรุงนะ หรือปรุงสัมปยุต ธ, ธรรมที่เกิดร่วมกับมันด้วยเพราะว่านิยามของเจตนาคือชักชวนและกระตุ้นเตือนสัมปยุต ธ, ธรรมที่เกิดร่วมกับตนให้ให้รับรู้อารมณ์หรือทาหน้าที่ของตนของตนไปแล้วก็เจตนาอ น, นั้นก็ยังทำวิญยัตธรรมจิตตชรูปขึ้นมาด้วยเนี่ยนะทำจิตตชรูปทั้งทางกายและวาจาออกมาอันนี้ก็หมายความว่ า, วา โดยอุปนิชสีปัจจัยก็ต้องต้องหมายถึงอันนั้นดูแล้วก็ก็สําคัญมากทีเดียวเนีเมื่อรูปเกิดพ่อกรรมเกิดพ่อกรรมเกิดรูปจึงเกิดพ่อกรรมเกิดเวทนาจึงเกิดพ่อกรรมเกิดจึงจัญญาเกิดสังขารจึงเกิดพ่อกรรมเกิดวิญญาณจึงเกิดใช่อันนี้หมายถึงเน้นทั้งสหชาตกรรมและนานาขัตคณิกกรรมเนี่ยนะคำวมาสังขารถ้ายกให้เจตนานะอันนี้หมายความอย่างนี้หรือเปล่าครับคือสังขารตัวนี้ที่ผมว่านี่นะ หมายความเขาปรุงแต่งอย่างนี้เปล่าครับคำว่าสังขารในพระพุทธพจน์หรือตามพระสูตรเนี่ยจะยกให้เจตนาเป็นหลักเจตนาก็มีหกใช่ไมรูปประสานเจตนาเป็นต้นเนี่ยนะเจตนาคือความจงใจในรูปรทีนี้เจตนานี้ถ้าเรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกว่ากรรมถ้าตามพระสูตรก็เป็นกายกรรมวจีกรรมและ มนโนกรรมคือถ้าทำวินยัตก็เรียกว่าทางกายวินยัตรเรียกกายกรรมวจีวินยัตเป็นวจีกรรมถ้าไม่ทำวินยัตก็เป็นมนโนกรรมเจตนาตัวนี้ก็แบ่งออกเป็นสองคือสหชาตะกรรมกับนานัคคณิกกกรรม คาว่าสหาชาตก ร, รเนี่ยเจตนาเวลาเกิดขึ้นทำจิตตชรูปทันทีเนี่ยนะย้อนทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเจตนาหรือสังขารเนี่ยนะสังขารแปลว่าปรุงแต่งเนี่ยนะปรุงแต่งที่เรียกว่าปรุงแต่งสังฆตาธรรมถามว่าไอสิ่งที่มันปรุงแต่งสังฆตาคืออะไรคือรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณถ้าในแง่สหาชาตกรรมเนี่ยปรุงแต่งจิตตชรูปเนี่ยนะทำจิตตชรูปขึ้นทันทีเลยสหาชาตกรรมนะเช่นคิดเพื่อพูดเลยอย่างเงี้ยปรุงแต่งถ้าเป็นสหาชาตกรรมที่เป็นนามอันนี้สัมปยุตปรุงทันทีเลย อันนี้ลักษณะชาตกรรมเป็นอย่างไรเราสำหรับรูปเนีเห็นชัดเจนเพราะว่ายังในอิริยาบทบพะเนี่ยชัดเจนเลยใช่ไหมับเครับเพราะว่าตัวเจตนาตัวนั้นน่ะก็เจตนาเกิดสิทธิตัวนั้นแหละก็มีทําให้ก้าวเดินไป้วิญยัตนะที่เป็นล่วงมาทางกายนะเช่นยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นกายวิญญัตพูดเนี่ยนะที่พูดเนี่ยทุกคําที่ทุกคนพูดเนี่ยเป็นวจีวิญยัตเพราะฉะนั้นก็สหชาตกรรมนี่พูดขึ้นมา ทีนสหาชาตกรรมอันนี้เจตนานี้ก็มาแบ่งว่าแตอย่างของเราทั้งหลายนะยี่สิบเนี่ยเป็นอกุศล12หรือมหากุศล8ก็มาแบ่งว่าให้ผลในชาตินี้ได้ไหมทิฏฐธรรมเนี่ยนะเป็นทิฏฐธรรมได้ไหมหรือให้ผลเป็นอุปชาหรือให้ผลเป็นอัปราปริยะเนี่ยนะอันนี้ที่จะมีผลต่อไปอย่างนี้เรียกว่า นา น, ขาขนักกะทกะกรรมทีนี้ยกตัวสองตัวเนี่ยนะที่ที่มันจะให้ผลอ่ะะนะอุปชากับอ布ปรยาเนี่ ย, นนะ ย, ยให้ผลเป็นปฏิสนธิกรรมมชรูปเนี่ยนะและหลังจากนั้นต่อไปอปรยาปยนียก็อะพวกนี้ก็ยังให้ผลเป็นปฏิสนธินาม น, นะปฏิสนธินามก็คือนามขันและยังให้ผลเป็นทวิปัญจ ทั่วไปอีกให้ผลเป็นดนะัธารามณะเพราะฉะนั้นเจตนาอันนี้ก็ยังปรุงแต่งปรุงแต่งปฏิสนธิหรือปรุงแต่งพบใหม่อยู่ดีก็เลยแบ่งเป็นสองส่วนนะแบ่งสังขารหรือเจตนานี้ปรุงแตง่งทั้งที่เป็นอุปาทินะกะและอ น, นุปาทินะกะอันนั้้าขันห้า ขันแบบสหาชาตกรรมแบบนี้นะเจตนาสหาชาตกรรมทำให้จิตตชรูปเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเกิดอย่างนี้เขาเรียกว่าปรุงแต่ง อ, อนุปาทินก ะ, อ, ะอุปาทินกะนี่ถือเอาเอ า, เอาผลของวิบากและกรรมารูปเป็นเกณฑ์อะไรก็ตามถ้าไม่ใช่เป็นผลของกรรมที่เป็นนา น, านักขนิกกรรมนะอันนั้นเป็นอนุปาทินกะ นะส่วนปฏิสนธินามปฏิสนธิรูปหรือสรุปรวมรวมรากเรียกว่าวิบากกรรมชรูปอย่างนี้เรียกว่าอุปาทิ น, น ก, กะเนี่ยนะอันเนี้ยเจตนาจะทำลักษณะนี้สรุปว่าเจตนาเวลาเกิดให้ผลใกล้ๆ ก, ก็คือให้ผลเป็นขณะีนี้ใช่ัหมอันนี้เห็นเห็นกันอะ่ะ ไอ้ตรงเห็นเห็นกันนี่แหละที่สมัยใหม่เขาเรียกว่าทำดีได้ดีนะทำดีปั๊บได้ดีทันทีเลยส่วนมากเขาจะเอาในแง่นี้มาพวกที่ปฏิเสธภพชาติข้างหน้าต่อไปอนะหัวนี้ก็จะยกอยู่แค่ปัจจุบันไอ้พวกอนาคตส่วนเดียวก็จะเอาแต่ส่วนเดียวนะชี้แต่อนาคตอย่างเดียวก็มีแต่ว่าคำสอนแสดงทั้งสองอย่างคือทั้งที่เป็นสหาชาตกรริกำนี้ปัจจุบันนะปัจจุบันส่วนนานะคคกก ร, รมเนี่ยเหตุต้องเป็น อดีตเนี่ยนะเหตุอดีตถ้าถ้าเป็นเหตุปัจจุบันผลต้องเป็นอนาคตต่อไปก็ลักษณะนี้เพราะนนั้สังขารนี่จึงปรุงแต่งทีนี้ปรุงแต่งแล้วคุณภาพที่มันปรุงแต่งมันให้ผลแบบนั้นเนี่ยอะไรมาเป็นตัวชี้วัด น, นะยกตัวอย่างว่าถ้ามันปรุงแต่งแล้วนําเกิดที่เป็นสุขติหรือทุกคตินะก็จะแบ่ง สรุปนะสุขคติกับทุกคติคือไปดีกับไปไม่ดีก็บอกว่าไอเจตนาอันนี้แล้วแต่ว่าถ้ามันเกิดกับกุศลสังขารกุศลสังขารอื่นๆที่มาปรุงมันอีกทีหนึ่งเช่นโสพณะสาธารณะนะโสพณะสาธารณะเจตสิกสิดวงเนี่ยนะนะร่วมกับเจตนาอันนี้ สุขคติก็หวังได้ถ้าเจตนาอันนี้เกิดร่วมกับที่เป็นอกุศลสังขารเนี่ยนะคือมีอกุศลเจตสิกเนี่ยนะ14ดวงเข้าไปประกอบมันจะนำเกิดในที่ที่ไม่ดีมันจะให้ผลเป็นทุกข์พวกนี้กลุ่มอกุศลหรือกุศลเจตสิกที่ไปเกิดร่วมกับเจตนาจึงนับว่าเป็นสังขารขันอีก เนี่ยนะก็เป็นสังขารขันเหมือนกันแต่ในชั้นแรกเนี่ยยกเจตนาแต่ส่วนรายละเอียดอยู่ที่กุศลและอะกุศลนั่นเองพ <c oughs> ่อครับขออะุ ญ, ญาทลาธรรมนิดหนึ่งนะครับจบจบยังไงก็จบ <c oughs> เว้นไว้แต่จะเอาปริญญาชั้นสูงเลยนะ ใช้เวลานานหน่อยพูดนิดเดียวนะครับในนี้ในนีกล่าวไว้เลยเคิดคิดดูนะว่าถ้าเราเราพูดแบบสมัยพุทธกาลเลถ้าเราอยู่บรรยากาศสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าตรัสสั้นสั้ น, นแล้วพระพิสุทธ์ท่านไปอยู่คนเดียวทั้งวันน่ะถามว่าท่านจะไปคิดอะไรฟังสูตรสั้นๆเนี่ยนะไม่ไม่กี่บรรทัดเนี่ยอย่างเมืองสาวัตถีเนี่ยนะเมืองสาวัตถีเนี่ย มันจะข้างวัดเชตาวันเนี่ยโดยโดยทั่วไปอยู่ทิศิศใต้ของเมืองใช่ไหมหลวงพ่อข้างหลังวัดป่าเชตาวันเนี่ยชื่อว่าป่าอันธวันสมัยพุทธกาลนะเรียกว่าป่าอันธวันเรียกป่าคนตาบอดเป็นป่าใหญ่มากดังนั้นพระพิสุทธ์ไปบินธบาตในเมืองมาฉันเสร็จท่านจะเข้าป่าเพราะว่าถ้าอยู่เฉพาะในนั้นไม่พอในในตัววัดเชตวันนะพระพิสุทธ์มากมันก็จะอยู่ในป่าอันธวันทีนี้ฟังสูตรสั้นๆนะท่านจะไปคิดอะไรในป่าขนาดนั้น อ น, นะซี่ที่เรียกว่าหนึ่งเพศก็ไม่ต้องเพราะว่าพระถ้าเป็นระดับธรรมดานะไม่ใช่ระดับมหาสาวกเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะได้แสดงธรรมเลยเนี่ยนะเป็นระดับชั้นพระเถระทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรษานั่งกับแรกๆนะถึงพรรษาประมาณพรรษาสิบเนี่ยแทบไม่ต้องอะไรเลยไปนิ่งๆกับไปปัดกวาดเช็ดถูกุฏิให้อาจารย์เท่านั้นอนะ่ะที่เหลือหลีกเล่นหมดเลยถามว่าท่านจะไปคิดอะไรหรือถ้าไม่เจริญกรรมาฐานจนเพียงพอนะ ไปบินทบาทยังไงมันก็อยากกลับไปอยู่บ้านตามเดิมอีก น, นล้วและก็จะต้องไค้ควรวนอย่างมากจริงๆเนี่ยนะจึงจะระงับอากุศลวิตกได้เพราะว่าการมวิตกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นมิเิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าละได้ง่ายเนี่ยนะคือสำนวน ว, นว่าไอ้คนเป็นป่วยนะไม่ต้องติดเชื้อจากข้างนอกไข้ข้างในมันก็กาเริบมันเองว่นั้นเถอะ ก่อนนี้เข้าใจว่าคำว่าสังขารละขันคือเป็นเรื่องของการปรุงแต่งก็นึกถึงว่าเจตสิกที่เว้นจากเวทนาเจตสิกเว้นจากสัญญาเจตสิกที่เหลือนั้นเนี่ยญญมันเป็นเรื่องของการไปปรุงแต่งให้เป็นอะไรต่อะไไปนี่นะครับแล้วก็ยกให้ตัวเจตนาเนี่ยเป็นอภิสังขารเพราะว่าเป็นหัวหน้าเป็นตัวที่ปรุงแต่งใหญ่ที่สุดสาคัญ ท, ที่สุดนี่นะครับแต่ก็นึกได้แค่สหาชาตะกรำเท่านั้นเอง นึกได้เฉพาะว่ามันมันปรุงแต่งอยู่ในเฉพาะในตัวที่เขาอยู่ในจิตใ ด, ดก็ปรุงแต่งตัวจิตนั้นใช่ไหมอ่โดยสัมพยุติปปัจจัยมันก็ว่าถ้าเจตนานี่ไปอยู่ในกุศลจิตเขาก็ปรุงแต่งในเรื่องเจตรสิกทั้งหมดเลยเนี่ยเยอะแยะเนี่ยให้ให้มันเป็นไปตามนั้นแต่ว่าหารู้ไหมว่ามันปรุงแต่งเลยเข้าไปอีกภพชาตินหน้าต่อไปด้วยมันก็เป็นการปรุงแต่งสองกลมเนี่ยนะรับทวนอีกครั้งหนึ่งว่า เจตนาเนี่ยถ้าปรุงแต่งขึ้นในขณะที่มันเกิดขึ้นเรียกว่าสหาชาตกรร ม, มะสาชาตาแปลว่าเกิดร่วมกันเกิดด้วยกันกรร ม, มะก็คือเจตนากรรมกรรมที่ปรุงแต่งเกิดทันทีเช่นนั่นนะทำทำให้เกิดรูปประคันเนี่ยคำพูดที่พูดเนี่ยพูดนี่เป็นรูปประคันใช่ไหมหรือการยืนเดินนั่งนอนการหลับกระพริบ ต, า ย, ต า, ายักคิ้วหลียวตาเหลียวซ้ายหันขวาทั้งหมดเนี่ย เกิดจากเจตนาเฉพาะหน้าใกล้ๆเนี่ยเรียกว่าสหาชาตกรรมและในขณะเดียวกันเนี่ยเจตนาเนี่ยเกิดลำพังไม่ได้จะต้องมีสัมปยุตรธรรมอื่นๆเข้ามาในการที่จะวิเคราะห์ว่าเจตนาอันนั้นดีหรือไม่ก็เอาสังขารขันอื่นๆมาประกอบอีกโสพณะกับโสพณะเจตสิกกับ อสอสพนะหรืออกุศลเจตสิกเนี่ยมาวัดเช่นว่าถ้าโสพนะเจตสิกเป็นสมุทฐานทางกายก็จะเรียกว่ากายะสุจริตถ้าอกุศลเจตสิกสัมปยุตกับเจตนาอนนั้นต์กายก็จะเป็นกายะทุจริตแทนเนี่ยนะถ้าเป็นคําพูดก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะก็ปรุงแต่ง จิตเจตสิกเหล่านั้นๆก็ที่เกิดร่วมกันก็จะเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลไปตาม อ, า ก, าอากุศลหรืออกุศลเจตสิกนะแต่สําคัญอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ว่ามันคิดอะไรทีนี้ความคิดนั้นมีคุณภาพมากคุณภาพน้อยก็อยู่ที่องค์ประกอบเนี่ยนะอยู่ที่องค์ประกอบนั้นๆเนะี่ย เรียกว่าขณะนี้เจตนาเนี่ยครับกำลังทำให้ท่านยืนอยู่แล้วก็เขียนอย่างนี้ด้วยนล้เขียนและพูดด้วยเนี่ยกำลังปรุงแต่งท<า>งั้งกาย ว, าวิญญาตและวจีวิญญัตอนะเฉพาะหน้าแล้วก็ยังปรุงแต่งนะเจตนาอันนี้ยังปรุงแต่งเช่นสังขารขันนะปรุงแต่งอ่าสังขารขันอื่นๆปรุงแต่งฮิริโอตปะสัท ธ, ธาวิริยะปรุงแต่งสมาธิเป็นต้นหรือปรุงแต่งโสมณตสินสีหรือว่าอุเบกินสีก็ปรุงไป หรือว่าสัญญาก็เป็นไปกับเช่นเรียกว่าธรรมสัญญาหรือวิญญาณก็เป็นทั้งมโนวิญญาณเนี่ยนะก็เกิดขึ้นชาวนะต่างๆก็เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ปรุงแต่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมีผลต่อไปข้างหน้าไหมที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะเจตนาโหเพราะฉะนั้นบอกว่าท่านเหนื่อยไหมบอกโอ้พูดสี่ชั่วโมงนะถ้าเป็นกุศลสี่ชั่วโมงล้วก็ทำเหตุดีไว้สแสดงว่ากระยิมในขันท่าอไรอีกฮะก็หยิมในขันท่ า, <laughs> า 5, แล้วก็หยิมอะไร ก, ก็ยิ่มทุกันนะแั้วก็สร้างเหตุแห่งทุกันนะแต่ว่าทุกแบบทุกแบบดีอ่ะนะป่วยเหมือนกันแต่ว่าป่วยแบบมีหมอดูแลกับป่วยอนาถาอวันไหนอย่างเงี้นะก็ถ้าเจริญกุศลไว้ก็เป็นแบบนั้นสองกลุ่มเลยนะคะศาสนาตากม้ากับงานนักธรรมกับศาสนาตากร้านี่จะเป็นริบาร์กได้กุศลกับกุศลอย้อ่อ ที่เป็นนานขัคถนิ ก, กรรมนะเอ่อสหาชาตกรรมนี้ตอนนี้เรากำลังพูดชวนะอย่างเดียวก่นอนนะจริงๆแล้วถ้าสหาชาตกรรมคือเจตนา89หรือ121ยอถ้าสหาชาตกรรมนะทุกดวงถ้าเจตนาในจักขูวิญญาณก็ปรุงแต่งเฉพาะนามอย่างเดียวปรุงแต่งรูปไม่ได้ เจตนาในทวิปัญจะปรุงนามได้อย่างเดียวปรุงรูปไม่ได้ส่วนเจตนาที่เกิดในจิตอื่นปรุงแต่งนามได้รูปได้แต่ทีนี้ขีดความสามารถของสัมปติชนะสันติรณโวทพัพนะมันจะปรุงแต่งได้เฉพาะอาวินิโพคารูปที่อ่อนกําลังมากเนี่ยนะที่ที่ไม่ได้ทําวิญญัดอะไรมาเลยแต่ถ้าเจตนาในชาวนาะถ้าปัญจทาวานวิถีปรุงแต่งคําพูดไม่ได้ปรุงแต่ง นะคือพูดไม่ได้นะปัญจทวารวิถีทำให้พูดไม่ได้ยืนเดินนั่งนอนไม่ได้แต่ว่าปรุงแต่งอวินิโภครูป<ม>อยู่เหมือนกันนะตามความสาสมควรแต่ตัวที่ปรุงแต่งวินยัตเลยคือชาวนะที่ในมโนทวารวิถีที่ทำวินยัตติรูปนะก็มาแบ่งว่าคือคุณภาพของเจตนาที่อยู่ในจิตนั้นนะนะ่ะมันมีกำลังทารูปได้ขนาดไหนเหมือนกับเด็กถ้าเด็กเล็กๆะนะ มันก็คนเหมือนกันอ่ะแต่ว่าถ้าอายุขวบหนึ่งมันก็ยกน้ําหนักได้น้อยเดียวนะคือไปยกของในเล็กถ้าโตมาหน่อยก็ยกขึ้นมาได้มากขึ้นถ้าโตขึ้นมาอีกก็ยกได้ใหญ่ๆขึ้นเจตนามันก็เหมือนกันถ้ามันเกิดกับทวีปัญจะมันก็เหมือนกับเด็กอ่อนใบเบาะเลยนะมันก็ยกแต่แขนมันได้อะยกอย่างอื่นไม่ค่อยได้หรอกแต่ถ้าเด็กพอโตกว่านั้นอีกมันก็ยกของได้ใหญ่ๆขึ้นมาก็ตัวเจตนาก็ลักษณะเดียวกันทีนี้ถ้าถ้ามองแบบ งานการอ่ะนะสหาชาตกรกมเนี่ยเหมือนขณะทำงานมองขณะเนื้อ ง, งานเฉพาะหน้าถ้างานนักค่นิกกรรมก็คือรายได้ฝากมิสินไหมน่นะฝากธนาคารกันไม่รู้ว่าฝากธนาคารหรือว่า <c oughs> ก็มีอยู่สองกลุ่มอ่ะนะธน <c oughs> าคารก็คือธนะแปลว่าทรัพย์อ่ะนะอาคารก็คือเรือนอ่ะนะบ้านเรือนอ่ะก็คือที่เก็บทรัพย์ถ้าเป็นบุญไปถ้าเป็นบาป <c oughs> ะนะ บันทึกไว้ในสารเต็มไปหมดเลยนะ